5. โสดาปฏิพลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลหนั 1, ภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สัปฤตสังเสวิวะ สสัตธรรมมัสสวะณะ 3. โยนิสโสมนสิการ 4. ธรรมานุธรรมะปฏิปฏัติภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลโสดาปฏิผลสูตรที่หจบ สกทาคามิผลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผล 1,052 ภิกสุท์ทั้งหลายทาสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลทาสีประการอะไรบ้างย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผล สัธาคามิผลสูตรที่6จบเจ็ดอนาคามิผลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล153ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลอนาคามิผลสูตรที่7จบ 8. อรหัตผลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล 1,054 ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลอรหัตตผลสูตรที่8จบ 9. ปัญญาปฏิลาพสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาหนึ่ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาปัญญาปฏิลาภสูตรที่9จบ10ปัญญาวุฒิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา 1,056 ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาปัญญาวุฒิสูตรที่สิบจบ11ปัญญาเวปุลสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความภัยบณ์แห่งปัญญาหนึ่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบู์แห่งปัญญาปัญญาเวปุลสูตรที่ 11, สิบเอ็ดจบสัพปัญญวักที่หกจบ